ความจเจริญในธรรมจึงมีแต่ท่ า, มมทานผู้ฟังหลายแต่ร่มบระโพธิาในวันนี้ก็คงพูดเรื่องเมตตาบารมีต่อไป่ันก่อ น, นพูดถึงอานิสงส์ของเมตตาที่พระเจ้าทรงสแสดงไว้ในเมตตานิสังสุทก็มาถึงข้อที่ว่าเทวดาย่อมรักษาคือปัญหาเรื่องเทวดาเนี่ยมันเป็นชีวิตอีกมิติหนึ่ง เขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันกับเรานี่แหละแลวเราจะเห็นว่าพระพุทธศาสนานั้นผูกพันกับเทวดาตลอดตลอดกาลยาวนานพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์จะตุดจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระขันธ์ของพนางมามายาก็โดยการรัตนาของถูริเทพทั้งหลายแล้วเราก็เวลาประสูตรก็มีเกี่ยวข้องกับเทวดา เวลาศัสรู้เสร็จแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับเทวดายิ่งแสดงพระถวพระเทศนาเทวดาดูโมทนาชื่นชมกันไปกยยันมาแล้วก็จนถึงไปนิพพานนะ จ, จะเห็นว่ามีเทวดาเข้าไปเกี่ยวข้องมาเยอะเลยเทวดาเป็นเรื่องของความมีอยู่โดยธรรมชาติของเขาแต่ถ้าเราสร้างกัญญานในจิตคือสร้างความรู้สึกเป็นมิตรกับธระ แเมตตาทําบุญุทิกุศลส่งไปให้ท่านมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรสมมุติว่าทเทวดาไม่มีแต่เราก็อุทิศส่วนกุศลไปให้มันใจเราไปขจัดวันนะ้ำมาเชริยรยะก็เป็นบุญเบงกุศลแก่เรารเที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปว่าดายากอาจะนิพพาคือทายกไม่ร้ายผลอะไรเลยเผู้ให้นี่ไม่ได้ไร้ผลอะไร เรือการเพิ่มบุญให้กตัวด้วยพันการที่เทวดารักษาคุ้มครองเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกแต่ก็จริงคือบางทีเนี่ยมันเหมือนกับมีคนมากระซิบมีคนมาบอกมีคนมาตักเตือนให้สติแล้วถ้าเราหยุดคิดเฉลียวใจึ้นหน่อยก็อาจจะขจัดป้องกันปัญหาต่างๆได้ แต่ว่าพื้นฐานของความไม่เชื่อเทวดาเนี่ยก็ทำให้ขาดทุนไปเยอะนะคือมายังมองสังคมพุทธเราเนี่ ย, ยสังคมไทยยังมาทั้งโลกกันแหละคือถ้าเชื่อความมีอยู่ของเทวดาทั้งหลายที่มีทิประเนทิปกัลได้มันจะเป็นหลักยึเดเตี่ยวทางใจของคนได้เยอะอย่างน้อยที่สุดข้อความที่ว่า ไม่ยอมทำความชั่วเพราะอายผีสังเทวดาเขาพร้อมที่จะทำความดีเราคนไม่เห็นผีสังเทวดาก็ยินนี่เป็นหลักใจมหาศาลแล้วนะฮะคนจะหลักตรงนี้ได้ก็เป็นคนดีได้ไปตั้งเยอะมันเกิดวิัยนในตัวเองขึ้นมาโดยอัตโนมัติถึงแม้จะต้องเกาะอิงอยู่บ้างก็ตามแต่ว่าดีกว่าไม่มีหลักใจอะไรเลย แล้วในศาสนาเทวนิยมที่จริงก็คือโครงสร้างอย่างนี้ความพระเจ้าของเขานีนสิ่งสถิตอยู่ทุกคนทุกแห่งและรู้การ ก, กระทำของศาสนามันก็มีความสำนึกอย่างเกรงต่อการอภิบาลดูแลรักษาของเทวดาเป็นเรื่องที่คนเหล่านั้นเนี่ะจะรู้เฉพาะตัวเขาว่าเทวดาี่มีรักษาจริงหรือไม่ ไม่รักษาเนี่ยาบางทีปรากฏเป็นความฝันเช่นว่าเราคิดอะไรไม่ดีเนี่ยก็ปรากฏเป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอะไรนี่มาว่ากล่าวมาดักเกลือนมาห้ามปรามมาไว้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราแผ่เมตตาจิตในกรอบของคว่าสเปสตาเราจะลืมนะฮะว่าสัตว์โลกมันมีขันหามีขันหนึ่งมีขันสี่ ขั้นหนึ่งมันก็เป็นพรหมอันสี่ก็เป็นพรหมอันห้ามันก็มีทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งเทวดาทั้งหลายทีนี้พวกอันตรายทาั้งพวกไฟพวกยาพิษพวกสัตตราคือไม่สามารถทำอันตรายได้ยังไฟเนี่ยแทนที่จะไหม้มัน ไ, ไหรือว่ายาพิษบางทีมันมก็ไม่กิน ก mm ็เ hmm. ป the hmm. ็นเป็นเรื่องที่อาตมาเองเคยมีประสบการณ์แต่ว่าก่อนบวชนะนะตอนอายุสูสิทธิ์สิบแปดสเก้าก็ยังนึกถึงอยู่จนทุกวันก็ไปทำงานในบริษัทแห่งหนึ่งมันไปเห็นนายลูกแกประเบิดที่เขาระเบิดหินไม่รู้จักนะไม่เคยเห็นมันหยิบขึ้นมาแต่กัด แล้วมันคล้ายๆมีมืออะไรอะมาดึงดึงไม้กัดแล้วก็ไม่ว่าอะไรก็ไม่กัดัต่อมาที่หลังก็รู้สิ่งนี้เป็นแก๊บเป็นแก๊บระเบิดถ้ากัดก็ตายฮะแล้วก็ต่อมาเนี่ยมันก็มีเพื่อนกระถูกพีสิงก็เราก็พยายามจะช่วยนะฮะ อ, อะไรแต่ออไรแกก็ชี้หน้า เ อ, อวันก่อนเนี่ยถา้าไม่ช่วยไว้เนี่ยแกก็ตายแกก็ลถูกอ่ะก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับว่าคนทรงเนี่แกไม่ได้อยู่ตรงนั้นไอ้คนที่ถูกปีข้าวเนี่แกไม่อยู่ตรงนั้นแต่ก็ยังไงก็ตามเป็นจริงเท็จก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราก็กปลอดภัยมาจากตรงนั้นนั่นก็คือเป็นอาการของเทวดาที่คุ้มครองรักษาประสบการณ์เหล่านี้ถ้าเรา ไปอยู่ในป่าในเขาแล้วก็จะมีความชัดเจนนะฮะถ้าเราจะริยเมตตาไปบ่อยเราจะเห็นชัดเจนมากิงมันเป็นรอดปลอดภัยมันไม่กินมันไปหยิบเผลอไปแตกอะไรอะไรเนี่ยแล้วก็จิตจะตั้งมั่นได้เร็วเพราะว่าอย่าลืมว่าธรรมะที่จริงที่จริงข้อไหนก็ได้นะฮะคือมันถ้าเราสงบพยาบาทด้วยเมตตาอย่าลืมว่าเมื่อเมตตา เดีมันสงบการมารักษาก็แสดงว่าจิตไม่สายไปได้วยแรงของนิวรสองข้อแล้วคือการมาฉันกับพยาบาทมันไม่สายแล้วะอย่างอื่นก็จะสงบตามไปอาจายังบอกว่าจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิไดให้ลองสังเกตดูในชีวิตประจำวันได้นะฮเช่นว่าลูกหลานของเราที่เคสวยสมมติว่าสวยเนี่ยนะ แล้วก็ไม่ได้นึกไปในทางนี้ถ้าเรามีเมตตาเขาจริงก็แสดงว่าสยบราคาลงไปได้แล้วก็ในกรณีที่เราอาคาตพยาบาลเนี่ยคนที่เคยอาคาตพยาบาลทมาแต่ถ้าเราเมตตาเขาเนี่ยเขาทาอะไรเราก็ไปเกิดอาคาตพยาบาลก็แสดงว่าใจมันก็ตั้งมั่นตั้งมั่นอยู่ที่เมตตา ธรรมะมันเป็นรังสีมันแคแสงสว่างคือมันแค่จัดความมืดได้รอบตัวมันไม่ใช่ไปแค่จัดแต่พจนจุดแต่แจัดได้รอบตัวแล้วก็สีหน้าคนที่มากไปเม็ดหนานั่นจะผ่องใสนะจะผ่องใสต า, ตาก็มีแววของความสงบเย็นหน้าตาของท่านก็ผ่องใสเอิบอิาทประทับใจอบอุ่นอยากใกล้ชิด อยากฟังท่านพูดอยากเข้าไปก็แสดงให้เห็นว่าอาการของกิเลสมันก็ถูกสยบไว้ก็ไม่ถึงกับละกิเลสได้หมดหรอกแต่ว่าถ้าจิตดาวภาพมันมีเมตตาอยู่มากสติสัมปชัญญะก็ดีอาการของกิเลสก็ไม่คุกรุมจิตใจมากเกินไป ในระดับของกามาวะจะรับจะไม่หลงตายดังนั้นข้อที่สิบนี่ทรงแสดงว่าไม่หลงตายเกิ แ, แสดงว่าใจที่อยู่ด้วยเมตตามันพองแผ่จากพยาบาทจากกิเลสประเภทโทสะกิเลสประเภทราฆะกิเลสประเภทโลภะก็หมายถึงกิเลสประเภทโมหะด้วยนั่นแหละแไม่ถึงกับหมดไป เพกิเลสขลดด้วยกันก็าเพิม ด, ด้วยกันคอยากให้ผู้ฟังดูที่จิตอ่านหนังสือหรือศึกษาอังอะไรก็ตามดูที่จิตตัวเองดูอย่าไปคิดแต่ทําความเข้าใจอย่างเดียวเพราะธรรมะทั้งหมดของเจ้าสอนที่จิตเรียกว่าทำทั้งปวงรวมลวงที่จิตแล้วดูที่จิตได้เห็นว่าเออคนเนี้ยสมมติสร้างสถานาการณ์สมมติขึ้นมาว่าคนเนี้ย เรามีเมตตามเราจะโกรธเขาไหมเราจะนึกไปในทางเพศไหมแล้วเขาขาดแคลนเขาเดือดร้อนเนี่ยเราช่วยเขาได้ไหมแล้วก็จะเห็นได้เลยะว่ามันจริงๆก็ละได้ทั้งโลภะทั้งราคะทั้งโทสะสตทุกคนกนหนียิ่งเข็บค้นขึ้นสูงเท่าไหร่ใจก็จะผ่องแผ้ว เมื่อใจผ่องแพ้วก็มันเข้าสูตรหลักนะฮะที่ทรงสแสดงว่าเมื่อจิตผ่องแพ้วก็หวังได้ว่าบังเกิดในสุกติเมื่อจิตเศร้าหมองก็หวังได้ว่าบังเกิดในโทกติซึเม ต, ตาเหล่านั้นอาจจะเกิดขึ้นที่ทรงแสดงเนี่ยฮะตรงใช้คำว่า ดูก่อนวิสูตรต่งหลายมเมตตาเจโตวิมุตติคือจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสดยอนาจของเมตตาที่บุคคลให้บังเกิดขึ้นไหมช่วยรับทิ้งมือเดียวจะเป็นธรรมที่มีผลมีอนิสงส์มากม่ตองกาวถึงการกระทําไม่มากหรอกแต่นี้มันก็อยู่ที่ขนาดจิตนขนาจิตดังที่ท่านเล่าถึงนักตัวหนึ่งมีใจผูกพันอยู่กับพ ร, ระปเจกพุทธเจ้า เราวหนึ่งพระประเเกพุทธเจ้าท่านเลื่อนลอยไปทางนภาากาศไปที่ผู้เขาขันทัเพื่อไปทําจีวรร่วมกับพระปฏิเเกพุทธเจ้าทั้งหลายสุนัขมันผูกพันมันเห่าพรส่งพอร่างท่านรับใจก็สลายหมายความว่าใจสลายเพราะความผูกพันอยู่ในปฏิเเกพุทธเจ้าเป็นความรู้สึกดี เรีว่าศรัทธาก็ได้ความรักก็ได้ความผูกพันก็ได้ตายไปแล้วมันเกิดเป็นโทษเพศประบุรเรียกว่าภูสกันเพุตรมีเสียงแม้แต่กระซิบเบาๆก็เสียงก้องกังวะมีข้อความพิสดารอยู่ในเรื่องของพลังสามาวดีในประสมแล้วก็แสดงให้เห็นว่าวมันก็เกิดขึ้นในขณะนั้นแต่ความผูกพันทางใจ มันเกิดเป็นอนุภาพเมตตาที่แรงขึ้นก็จิตปกคองแล้วแล้วก็ข้อสุดท้ายในทรงแสดงว่าเมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งคื อ, อยังไม่บรรลุมรรคผลีได้จะเข้าถึงมิโลกในกรณีนี้จะต้องเข้าใจพูดระดับรูปาว่าจะพูดถึงการพัฒนาจิตใจให้เจริญโดยเมตตาทั้งหลายและทำได้จริงๆ เพราะว่าเบ็ดพรหมิหารเนี่ยมันจะเรียกสงระดับระดับหนึ่งเรียกอัปปมัญญาระดับหนึ่งเรียกว่าพรหมิหารแต่ว่าเป็นอารมณ์กรรมฐานด้วยกันพรหมิหารสี่ก็เป็นอารมณ์กรรมฐานแต่ ว, ว่าเวลาสอนพระให้จเจริญมักจะเรียกว่าอัปปมัญญาคือไม่มีประมาณห <The heart> มายความมาตั้งจิตแผลเมตตาแผลไปในทิศต้องปวง โดยไมย่กำหนดเจาะจงกังกบไปกลุ่มหนแล้วก็แผ่ไปทั่วทิศสูงเ บ, บื้แบบองต่มแเบบื้องขวางหน้าเบื้องหลังเนี่ยแผ่ไปได้ก็ถ้าได้สมาธิได้ฌานสมมติว่าได้บรรลุประธรรมฌานอย่างเงี้ยท่านก็เข้าถึงโภมาโลกแตามความป ร, มปรนณีตของฌานหยาบกลางพดีวันเมตตา เป็นธรรมะทั้งๆที่จริงทุกขอนะะก็สามารถที่จะนำจิตคนให้เดินไปจนถึงระดับฌานแล้วเราก็จะเห็นชัดเจนนะฮะว่าเมื่อจิตประกอบด้วยเมตตาเนี่ยมันก็มีความปีติอยู่ภายในมีความสุขมีความสงบมีความเยือกเย็นก็กลายเป็นปีติอยู่ที่สุขที่สงบที่เย็น แล้วจิตที่เป็นอย่างนั้นมันก็ขัน้นเข้าไปสู่องคฌานแล้วก็สงบพวกนิวรณ์ก็ทําให้ท่านไปบังเกิดในพรหมโลกพรหมโลกก็นานนะน า, น า, าแล้วก็สามารถที่จะเจริญฌานสูงขึ้นไปก็ขึ้นพรหมโลกสูงขึ้นไปเรื่อยๆได้นะะแล้วก็อาจจะไปบรรลุผลที่พรหมโลกด้วยก็ได้ เพราะว่าการเพิ่มขึ้นของธรรมะเนี่ยเพิ่มก็เพิ่มขึ้นด้วยกันเนตาเพิ่มกรุณาเพิ่มอุติตาเพิ่มอุเบคาเพิ่มซึ่งหมายความกิเลสก็ลดลงไปโดยลําดับใล้ๆปริมาณของแสงสว่างความมืดในงี้ยในจุดต่างๆเนี่ยมันจะลดไปโดยลําดับแต่บางอย่างก็หมดไปเลยบางอย่างก็ลด ก็ทําให้มองอะไรได้ชัดเจนมากิ่งขึ้นสังคมเรานั้นถ้าเป็นสังคมที่อยู่ด้วยเมตตาโดยเดินตามจริยาของพระโพธิสัตว์เอาขนาดชาติที่เป็นวันสามหรือว่าชาติที่เป็นใครก็ได้นะสักชาติหนึ่งเนี่ยเพราะว่าท่านก็มีเมตตาอยู่ทุกชาตินั่นแหละเพียงแต่ว่าจุดใดเด่นเขาก็พูดเรื่อง บารมีทั้งสิบที่จริงไปมาด้ยบารมีหลักเขาก็มีเสียแต่นอกนั้นจะอยู่ทุกแห่งก็เรียกอุปการะบารมีเช่นให้ทานเนี่ยถ้าเราไม่เมตตาต่อคนก็ให้ให้บางอย่างมันเกิดการุณายลงไครับห้างบางอย่างให้บางอย่างมันอนุโมทนาคือมุิการการ็แสดงว่าในตรงนั้นแหละเ้าก็มีธรรมะข้ออื่นเป็นสนับสนุน สำคัญอย่างยิ่งก็คือเรื่องของปัญญาแล้วก็มองในแง่องค์ประกอบของภาษาเเต่บอกว่ า, ามิตรก็ดีไมตรีก็ดีเมตตก็ดี ม, ดมันก็เป็นลกักษณะเดียวกันแล้วก็มาจากทางเดียวกันการบอกว่าเมตตานั้นเป็นมิธะท่าเป็นไปในความรักแล้วก็ลงตะปัจจัยลบท่าที่สุดท้ายห ก็ซ้อนตักแล้วก็ลงอาหรือว่าอิทธิลิงอีกอย่างหนึ่งเป็นเมตติกิดก็เป็นไมตรีเราจึงโบราณเนี่ยเราจะเห็นว่าเมตตาเนี่ยเราไม่ค่อยใช้เราใช้มิตรไมตรีจะมากเพราะว่ามันอาจจะคุ้นๆเน่ะคุ้นๆกับความเป็นมิตรความเป็นไมตรีเมตตาเนี่ยคล้ายๆกับ แม้แต่ในหนังสือโนกวาดเองท่านก็แปลว่าเมตตาแปลว่าความรักใคร่ที่จะเห็นนืเป็นสุขเลยก็ทําให้ให้ให้มองใกล้กับเมตตาคือความรักแต่ที่จริงก็คือรักนั่นแหละแต่ว่ามันมีความเข้มข้นสูงขึ้นเพราะว่าถ้ารักแล้วในมันมุ่งบำบัดความรักอนตัวเอง แต่ถ้า debuted, เมตตาเนี่ยมุ่งบำบัดความต้องการของคนอื่นค po ือแก้แป้ปัญหาแก่คนช่วยเหลือกู้คุณคนอื่นเมตตาจะมีสัตว์ทั่วไปเป็นอารมณ์แต่ความรักมันใช่ตัวเองใจเนื้อใช้ความรู้สึกของเราเนี่ยเป็นเกณฑ์กําหนดชอบชอบรักชังต่างต่างมันกําหนดด้วยจิตของเราเองคนคนเดียวกันนั่นแหละเราอาจจะกําหนดด้วยความรัก ด้วยความสังก็ได้ได้วความริษยาก็ได้แล้วแต่อารมณ์แต่ว่าถ้าเมตตาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสลายความความคิดแบบอารมณ์นั้นคือตัวผู้สนูนอะไรที่เขาเรียกอัตวิสัยกับภาวะวิสัยเมตตามันมีลักษณะของภาวะวิสัยคือมองออกนอแต่ความรักนั้นเป็นอัตวิสัยคือมุ่งการบำบัดการตอบสนองความต้องการ การใช้ตนเป็นฐานในยุ่งนะแลวในที่สุดมันจะเป็นลีลาอารมณ์คือใช้ความรุนแรงเพราะว่ามีความเห็นแก่ตัวอยู่นะคือมันต้องยกจิตขึ้นพอสมควรพราะอย่าลืมว่าความเห็นแก่ตัวเนี่ยความรักที่จริงคือเขาต้องตอบสนองความรัก ไม่ตอบสนองความต้องการของเราเราจะกลายเป็นศัตรแต่เมตตาไม่ใช่เมตตามันมุ่งบำบัดความทุกข์ของบุคคลอื่นเป็นไปไม่ได้ตามที่เราปรางนะเราก็อุเบกขาใจเป็นอุเบกขาไม่ว่าจะกรุณามุติตาตามไปถึงจุดหนึ่งมาเป็นอุเบกขาเคอจะมองในแง่กระบวนการของกรรมคือถ้าเป็นไปไม่ได้เรากรุณาก็เป็นไปไม่ได้แล้ว ก็เป็นไปไม่ได้แล้วบางกรณีนี่เราก็ทําอย่างอื่นไม่ได้จริงๆนะเนะนะช่นสมมติว่าน้องเราที่เรารักมากาเพื่อนเราที่เรารักมากแล้วไปฆ่าคนตายตำรวดจับติดคุกสารตัดสินติดคุกเราจะทำอย่างไรจะแคร์ม่ตายเขามีสุขอยูน่ในคุกเหรอลิขิตกรุณาช่วยเหลือเขาให้หพ้นจะคุกหรือ หือไปแสดงความยินดีที่เขาได้ติดคุกมันทําไม่ได้เลยสักข้อเดียวนะฮะธรรมะแ ท, แท้แต่ใช้ไม่ได้เลยกรณีแล้วเนี้ยท่นได้ได้อย่างเดียวคือเบกขามองในกระบวนการของกรรมแต่ น, นั้นเบกขาจึงเป็นอาการของปัญญาในขณะที่เนตตาน ะ, ะนเป็นอาการของโทสัหรือพูดง่ายงอุเบกขาเป็นอาการของอะโมค ก็เมตตาเป็นอาการโทสะแต่ความเข้มข้นสูงกว่านะฮะโทสะมันมีลักษณะงดเว้นไม่ประทุษร้ายก็สรุปวอกมาก็เกิสวัสดิภาพมันมีความโน้มเอียงมาทางเป็นศีลที่ประณีตงดเว้นแต่พอมาถึงระดับเมตตาเนี่ยเป็นธรรมะแท้แต่ว่าเพิ่งสังเกตนะ คือพระพุทธเจ้าเนี่เราไม่ใช้เมตตาแล้วก็มีแปลกอยู่แห่งหนึ่งในพระบทที่สามเนี่ยที่ตอนทรมานสร้างนาลาคีิท่านใช้เมตตาก็เป็นการเรียกเรียงของพระอาจารย์ในตอนหลังตามปกติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเขจะเรียกกรุณาเพราะพระเจ้ธธามองสรรพสัตว์ในมุม หมาความว่าสัสา์นั้นตกอยู่ในทะเลของความทุกข์ยางไม่มีอะไรนี่คือสังสารทุกข์พราะงั้นพระณาคามีในสายพันธุ์ของพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ที่ควรแก่การรุณาเพราะท่านยังต้องบังเกิดยังมีชาติพีทุกขจะจารามีทุกขะอยู่อยสังสารทุกข์มันไม่เจ็ทุกข์อย่างที่เราทุกข์แต่ว่าสังสารทุกข์จริงคือ ต้องหมุนวนอยู่ในจังสาไวัก็ยังต้องช่วยเลยคุณเจ้าจึงเป็นกรุณาดุดข่วงห่วงทะเลหลวงที่เป็นที่ิอาศัยของสรรพสัตว์ทั้งหลายชีวิตตนาชนิดนะอยู่ในมหาสมุทรอาศัยมหาสมุทรเมตตาที่กล่าวถึงของพระโพธิสัตว์ จะเป็นเมตตาในเชิงผลนี่มากหือภาคสนามพูดง่ายว่าเมตตาภาคสนามคือการเคลื่อนไหวของท่านเนี่ยการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์มันจะออกมาในรูปของเมตตาแล้วก็ข้อนในทางอนุภาพมันก็แนวเดียวกับเรื่องอธิษฐานนะแต่เชนว่าอธิษฐานที่ยกตัวอย่างพระเนริบิราชขึ้นมามันเป็นอธิษฐานที่เป็นผลคือภาคใช้งานและเก็บเกี่ยวดอกผลของอธิษฐานไปแล้ว แต่เมื่อเราจะเดินตามเนี่ยเราก็ไม่ดีอนุภาพขนาดนั้นแล้วก็พยายามจะน้อมนํามาประพฤติปฏิบัติอย่างน้อยนี่เมตตากายกกลับทาอะไรก็ทำโดยเมตตาพูดอะไรก็พูดโดยเมตตาเรื่องพูดเมตตาในจําเป็นมากนะฮะคืเราฟังรายการธรรมะอาตมาชักจะติดรายการนะธรรมะรายการเนะ่ยธรรมะร่วมสมัยมันดึกแต่เราก็ฟังบ่เออโยมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ดีนะแต่ว่าส่วน เนี่ยท่านค่อนข้างแรงไปหน่อยคือมองในมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็เรียบราดเรียนถึงทหาว่ามีเมตตาจิตได้มากกว่านั้นนะฮะแล้วอะไรๆไกร็คงจะดีขึ้นทั้งหลายแต่หลวพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเป็นเท่านี้ที่สุดนี้พอจะเริญนงอกงามไปบุญในธรรมผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกั น, กนสวัสดี